วันนี้เป็นวันอุโบสถวันแรม15ข้ามเดือนแปดเขา้าพรรษามา15วันตรงกับวันที่1สิงหา5้หนึ่งเรื่องกิจภาวนาเป็นเรื่องที่จำเป็นสำคัญเราไม่ได้ถืองานอย่างอื่นสำคัญกว่าการภาวนาแต่ว่างานส่วนอื่นก็จำเป็นที่จะช่วยกันคิดทม เพราะเราก็ต้องอาศัยปัจจัย4กุติเสนาสนะที่พักภาอาศัยหรือการทำกิจวัตรขอวัดมันก็ต้องเกี่ยวเนื่องกันจะภาวนาอย่างเดียวอย่างนั้นเขาคงจะไม่ถูกจนลืมทุกจิิงทุกอย่างแต่พระในครั้งพระพุทธเจ้าขนาดพระมหากบินท่านเข้านิโรธสมาบัต ท่านไม่มาหลวงอุโบสถพระพุทธเจ้าก็ยังตำหนิอันนี้ก็พวกเราคนไม่ถึงขนาดนั้นหรอกแต่ว่าถึงยังไงมันก็ต้องส่วนรวมกิจจวัตรชวนรวมเรื่องธรรมวินยัยกิจจวัตรขวัดปัดกวาดทำความสะอาดส่วนรวมมันก็ต้องมีสำหรับพระอยู่ด้วยกัน เราจะอยู่ตามลำพังโดยที่ไม่เลี้ยวแลหมู่พวกเพื่อนครูบาอาจารย์คงจะไม่ถูกต้องไม่ถูกต้องแน่เพราะนั้นการอยู่ด้วยกันถ้าว่ามีความไม่สบายใจหรือว่ามีเรื่องที่จะต้องไปปรึกษาปารุก็ควรจะหันหน้าคว้าหากันเพราะการอยู่ด้วยกันมันก็ต้องปรึกษาปารุกันผู้ใหญ่ผู้น้อย<ม>เสนอ ขึ้นมาตามขั้นตอนไม่ใช่ว่าต่างคนต่างคิดต่างคนต่างทำถ้าไม่พอใจแล้วก็ไม่ทำทําพอใจแล้วก็จะค่อยทำอันนั้นไม่ได้ถ้าว่ามีอะไรก็เสนอพูดกัรขึ้นมาตามลำดับขั้นตอนพวกท่านทั้งหลายจะประชุมการหารือกันก็ได้ถ้าว่ามีเรื่องที่จะทำกิจวัตรข้อวัดแบ่งการแบ่งงานกัน ขขอให้หมู่พวกเพื่อนอยู่ด้วยความสบายใจหรือว่าอยู่ด้วยความผาสุขเรื่องภายนอกก็อย่างที่ผมได้ว่าได้กล่าวก็มีต้องมีอยู่บ้างต้องทำแต่จะให้หนักใจแต่เรื่องจิตภาวนาเป็นสิ่งที่จาเป็นและสำคัญอย่างมากแล้วก็การภาวนาของพวกเราโดยเฉพาะอย่างยิ่งพระหนุ่มพระน้อยเรื่องกดนอนพอนอาหาร เป็นเรื่องที่จําเป็นสําคัญอย่างยิ่งพูดอย่างนั้นได้แตาว่าพวกท่านทั้งหลายไม่ระเวียงระวังในจุดนี้นอนตามอําเภอใจกินตามอําเภอใจพักผ่อนตามอําเภอใจคุยตามอําเภอใจแล้วก็มานั่งภาวนามันไม่ทันกันมันจะไปทางโลกจะมากกว่าเพราะนั้นขอให้หมู่พวกเพื่อนสังเกตตัวเองในการประพฤติปฏิบัติอย่างภายนอกถึงเราจะห่าง ไม่ดูไม่แลอย่างที่พระพุทธเจ้าตรัสแต่ใจของเราอย่างใยคว้าใจของเราอย่างใยฝันอยู่มันเข้าทํานองที่ว่ารูปราคะอรูปราคะอย่างนั้นอะรูปราคะก็คือเห็นโูกด้วยตาด้วยหูสัมผัสอันนี้แปลว่าเกิดกิเลสราคะอรูปราคะก็เหมือนกับเราละเมิเพ้อฝัน ปล่อยจิตปล่อยใจไปตามกา ร, รมกิเลสสร้างวโนภาพในจิตใจคิดอย่างนั้นคิดอย่างนั้นปรุงอย่างนี้ปรุงอย่างนี้ดีอย่างนั้นเลิศอย่างนั้นอันนี้เป็นว่าไม่มีรูปแต่ว่ามันเป็นกิเลสภายในใจสัญญากับสังขารมันออกไปสัญญาก็ ค, คือความจำได้หมายรู้เรื่องสัญญาเก่าอารมณ์เก่า สังขารก็คือความปรุงแต่งให้มันเจ็ดสวยขึ้นงดงามขึ้นมาอันนี้มันก็เป็นกิเลสน่ากลัวอีกเหมือนกันเพราะนั้นพวกเราทั้งหลายต้องดูทั้งสองเงื่อนทั้งรูปทั้งนามรูปปราคะอรู ป, ปราคาราคะก็คือเครื่องของกำนัดยินดีต้องพยายามหักห้ามหักใจของตนเองให้ได้ถ้าเราอยากจะเป็นพระสมบูรณ์แบบ เรื่องตัวนี้เป็นเรื่องที่จำเป็นสำคัญอย่างมากสำหรับผู้จะแวกไหวออกจากภพชาติแต่ว่าพวกเรายังมกปุ่นเวียนยังเห็นว่าสิ่งเหล่านั้นจำเป็นและสำคัญอยู่เลิศประเสริฐอยู่พวกเรายังหมกมุ่นในอารมณ์ประเภทนั้นอยู่ทำความเข้าใจกับตัวเองถ้าไปพูดไปว่าไปด่าไปกล่าวคนอื่น เป็นเรื่องเป็นราวแต่ถ้าาว่าดูด่าว่ากล่าวใจของตนเองไม่มีใครว่าไม่มีใครรู้อีกต่างหากด่าว่ากลา่าวยังไงใจของเราทำไมจึงชั่วช้าลเร็วสามเรื่องอย่างนั้นเรื่องของพันนั้นเรื่องกรรมไม่กิเลสนั้นมันอยู่กับหมูหมากาไกา่สร้างม้าวัวควายสัตว์ที่รฉนทุกประเภทมันมีแต่บัดนี้เราเป็นพระเรายกระดับ ใจออกห่างจากสิ่งเหล่านั้นแล้วทําไม้ใจของเราจึงไปคุ้นคว้าใฝ่ายฝันต่ําช้าเร็วซามล ง, ลงถึงขนาดนั้นไม่ละอายบ้างเหรอไม่แพ้สัตย์ที่ฉันเลยใจของเราเนี่ทําไมใจของเราจึงเหมือนกับสัตย์ที่ฉันเหมือนกับปุตุชนผู้มืดบอดสิ่งเหล่านี้พยายามดุดา่าว่ากล่าวห้ามปรามใจตนเองมันเป็นอย่างนั้นไหม ถ้าว่าจิตใจของเราลุ่มหลงมัวเมามันก็เข้าลักษณะอย่างนั้นจริงๆไม่เป็นอย่างอื่นเพรา ะ, ะนั้นขอให้หมู่พวกเพื่อนทุกองถ้าว่ายังติดยังคล้องยังแวะกับสิ่งเหล่านั้นอยู่ก็พยายามหักข้ามใจตนเองให้ได้มันไม่เลิดไม่ไม่เปรเิร์หรอกในเมื่อมันเท่าแกชา่ชราเหยียบไข้ได้ป่วยลมหายตายจก มันทิ้งหมดทุกอย่างที่มันอารมณ์ขึ้นมานั่นก็คืออารมณ์อกอกมาจากจิตใจเรียกว่าอารูปราคะมันเป็นอรูปแบบหยาบคือมันไม่มีรูปแต่มันเป็นนามแต่มันก็วาดภาพวาดมโนภาพสร้างภาพออกไปสู่ภายนอกยิ่งน่ากลัวกว่ารูปปราคาอีกต่างหากให้หมู่พเพื่อนสังเกตจุดนี้ ถ้าพวกเราเอาชนะจุดนี้ไม่ได้ถึงเราจะไปอยู่ภูผาป่าไม้ไหนป่าดงพงไพยที่ไหนไม่ร่มเย็นเป็นสุขเพราะมันอยู่ในจิตใจใจของเรามันเร่าร้อนใจของเราขุ่นมัวใจของเราเศร้าหมองใจของเราเมือดบอดถ้าว่าพวกเราเอาชนะตัววิญญาณและใจตรงนี้ได้แล้วอยู่นัาสถานที่ใดสงบ ร่มเย็นอย่างลึกๆในจิตใจที่เราจะเอาชนะมันได้ก็พื้นขั้นพื้นฐานก็พระพุทธเจ้าให้พิจารณากรรมฐันฑห้าเกสาโรมาณขาทันตาตะโจแต่ถ้าว่าพวกเราพิจารณาเพ่งดูตัวนี้แล้วมันยังลุ่มหลงมัวเมาเราก็ต้องใช้ปัญญาส่วนอื่นเข้ามาหักห้ามอย่างที่ผมได้กล่าวต้องเอาเลีเล่ยมเฉือน เลี่ยดเดียมของกิเลสสุดแท้แต่พวกเราจะใช้ปัญญาอันไหนที่จะเข้ามากระแทกหพือหักล้างในจุดนั้นให้ได้แต่ว่าพวกเราเคยภาวนาอั น, อนไหนเราก็ภาวนาอย่างเก่าทั้งที่กิเลสมันเย็ยบย่ำทำลายหัวใจแหลกรานอยู่ต่อหน้าต่อตาพวกเราก็ยังบริกรรมอย่างเก่าโดยที่ไม่ได้หา ส่วนอื่นมาหักล้างมันมาทำร้ายมันมาต่อสู้กับมันยังส่งเสริมมันอีกต่างหากอยากจะให้มันคิดอีกต่างหากอยากพอใจกับในเรื่องการคิดไม่อยากจะให้ถอยหลังในมหาธรรมอีกต่างหากถ้าอย่างนั้นแปละว่ากิเลสกินหัวจิตหัวใจกินตับกินปอดเราเราจะหาความสงบผาสุขไม่ได้ในหลักพระธรรมวินัย น, นี้ เพราะจิตใจของเราเป็นส่งออกไปนอกส่งออกไปข้างนอกเพราะนั้นสิ่งเหล่านี้เขาขอให้หมู่พวกเพื่อนสังเกตตัวเองพยายามหักห้ามตัวเองหาสิ่งที่เราเห็นว่ามันจะหักล้างได้อย่างที่ผมได้กล่าวทําไมใจของเราจึงต่ําช้าเลวชามนักของอย่างนั้นมันเป็นของสัตย์ริษฐานเป็นของปุตุชนเป็นของผู้มืดบอดพระพุทธเจ้าพระอระหันต์สาวกอริยชนทั้งหลายเขาตําหนิ ที่ท่านเป็มักในผลแล้วแต่ทำไมพวกเราเกิดมาชาติที่แล้วไม่รู้กี่ภพ ก, กี่ชาติก็มาติดจุดนั้นแต่ทำไมมาถึงชาตินี้เป็นอริยะพบศาสนาพุท ธ, ธอริยชนเรายังเป็นผู้มืดบอดอีกอยู่เหรอสิ่งเหล่านี้ให้หมู่พวกเพื่อนหักห้ามจิตใจของตนเองดูใจของตนเองพิจารณาใจของตนเอง พิจารณาร่างกายตัวเองพิจารณาถึงความตายของตนเองพิจารณาอสุภะของตนเองพิจารณาร่างกายขี้คลายดูทุกสิ่งทุกอย่างสรุปแล้วมันคือจิตที่มันเกิดขึ้นมาอย่างนั้นคล้าๆว่าจิตใต้สํานึกให้หมู่สังเกต ด, ดูให้ดีมันเหมือนกับจิตใต้สํานึกพอมันเผลอพลาดไปมันคล้ายๆว่ามีมุมหนึ่งเข้ามามีสิ่งมันเครือบเข้ามาเครือบใจตรงนั้น มันเคลิมมันอยากจะคิดแล้วก็ไต่ตรองเพราะราริคำานึงถึงอันนี้พระพุทธเจ้าพูดมาสองพันกว่าปทีที่ท่านได้ตัดสรุธธรรมมั่นจริงอย่างนั้นจริงๆดูก่อนกามเอ่ยเรารู้จักต้นเง่าของเจ้าแล้วเจ้าได้เกิดขึ้นมาเพราะความรำริคำานึงถึงนั่นเองตั้งแต่บัดนี้ไปเรารู้ตนเง่าของเจ้าแล้ว เราจะไม่ดำริคำหนึ่งถึงเจ้าอีกเจ้าจะเกิดขึ้นมาได้อย่างไรอันนี้ก็คือให้พวกเราคิดไตรตรองดูให้ดีมันมีอะไรที่มาหล่อเลี้ยงมันมีอะไรมีสายใหญ่มันมีอะไรมากระตุ้นในจุดนั้นมันจึงโหมโลงลุกโผล่เป็นไฟขึ้นมาในใจของเรา ขอให้หมูพวกเพื่อนสังเกตดูให้ดีเราเอ่อนแอปวกเปียกไม่ได้พยายามนั่งดูสิอย่างการนั่งภาวนาพยายามนั่งให้นานที่สุด บ, บังคับดูให้นั่งซิมันเป็นยังไงเราเคยตายมาพอแรงแล้วลองตายให้เห็นอีกดูสิเป็นยังไงสิ่งเหล่านี้อยากจะให้หมูพวกเพื่อนมีความเด็ดเดี่ยวอาถรรพ์กล้าหาญต่อการทําความภาคเพียนพยายาม เขากิเลสในจิตในใจของตนเองต่อไปภายภาคหน้าเราจะเป็นผู้ภาคภูมิใจในตนเองอย่างลึกๆอย่างมากทีเดียวเพราะฉะนั้นขอให้พวกเราทุกๆท่านนะหมู่เพื่อนทุกองค์การภาวนาและการปฏิบัติธรรมจิตภาวน า, า, า, วนาเป็นสิ่งที่จําเป็นสําคัญอย่างยิ่งอย่ามองอย่างอื่นเป็นสิ่งจําเป็นและสําคัญแล้ก็พร้อมกันก็ให้ระมัดระวัง การโคกพลาสมาคมการพูดคุยการอยู่การฉันการคุกคลีตีโมงถ้าว่าผู้หวังความสงบหวังพ้นทุก์ในวัฏฏะสงสารแล้วให้ระวังสิ่งเหล่านั้นให้มากๆแต่ถ้าว่าพวกเราให้ความคุ้นเชื่องให้เป็นวิสาสะหรือว่าทำตามอำเภอใจําทำตามมัทธาใจไม่มีทางที่จะ หลีกเลีล่หนีออกห่างจากกิเลสการ ม, มาราคะตัวนั้นได้มีแต่มันจะเยียบยำ่ำทำลายจิตใจของเราให้ต่ําซามลงไปเรื่อยๆผลที่สุดอยู่ยากอยู่ด้วยความทุกข์ยากลําบากอยู่แบบชังกระตายอยู่แบบไม่สะอาดาพาเผยอยู่แบบเศร้าๆมองๆ อ, อ, อยู่แบบหลบๆปลีกๆอยู่แบบไม่กล้าหาญเพราะฉะนั้นให้หมู่พวกเพื่อนทุกองนะให้สังเกต ต, ตนเองให้มีฮิริในใจ ให้มีอุตปะคือความกลัวในใจถ้ามันนึกคิดขึ้นมาพยายามหักล้างหักห้ามเตัวนั้นให้ได้ถ้าเราหักห้ามแล้วเราพยายามห้ามใจของตนเองบ่อยครั้งนั่นละจะเป็นบันทิตขึ้นมาในตัวของเราเองเราจะภาคภูมิใจเป็นอย่างมากถ้าว่าจิตใจของเราห่างเหินแล้วหลุดพ้นจากตัวนี้ไปได้แล้ว แตถึงยังไงก็จะให้มันเข้ามาจะให้อันนั้นต์คือให้ถือว่าเป็นเสือสารพิษที่จะมากัดกั ด, ก, ดกัดใจของเราเราจะไปคุ้นเชื่องยงเราจะไปให้ความสําคัญแต่นี้พวกเราให้ความสําคัญถ้ามันคิดก็พยายามคิดปรุงก็ปรุงจนสุดโตงสร้างวิมานในอากาศสร้างวิมานในความคิดคิดไปจนไม่มีจุดหมายปลายทาง ขาดสติในการคิดเพราะนั้นพวกหมู่พวกเพกืพ่อนทุกองนะที่ผมพูดทั้งนี้ทั้งนั้นให้ดูใจของตนเองให้ดูความคิดของตนเองถ้าว่าเราพิจารณาเอาหลักธรรมคาสั่งสอนมาหาข้ามรล้วมาพิจารณาแล้วธรรมะของพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นสวากาตธรรมตรัสไว้ชอบแล้วตัดกิเลสมาไม่รู้กี่ร้อยกี่หมื่นกี่แสนองค์ ท่านได้ผลมาแล้วแต่มาใช้กับเราทำไมเราจึงไม่ได้ผลเหมือนกับเราจะสังหารกิเลสเราไปกับเอาด้ามมีดไปให้การมกิเลสมาแทงหัวใจเราทั้งที่เราจะจับด้ามสังหารกิเลสแทงกิเลสทิ่มเข้าหัวใจกิเลสเรากลับเอาด้ามมีดไปให้กิเลสมาทิ่มแทงหัวใจเรา จากนั้นเราก็มาบ่นเพอ้อบอกว่าเราสู้กิเลสไม่ได้เรายอมแพ้ต่อกิเลสทำไมเราจึงเอาไมา่อยู่ทำไมเราจึงหักห้ามใจไม่ได้ที่แท้เราไม่ได้คิดดูให้ดีเพราะนั้นเราต้องใช้ปัญญาพิจารณาไตรตรองด้วยเหตุและผลในจุดนี้มันออกไปจากใจทั้งหมดมันออกใจทั้งนั้นมันออกเป็นสองง่าสองงามออกไปจากใจของเรา ออกไปก็คือกิเลสตัวหนึ่งทําเกิดกิเลสก็ทํากิเลสกระทาอยู่งั้นถ้าเราพิจารณาด้วยทำเราก็หักล้างมันได้ถ้าเราไปส่งเสริมมันเมื่อเราเอาด้ามมีดให้มันกิเลสนะนะั่นแหละเดี๋ยวก็ตัดคอเราเดี๋ยวก็ทิ่มแทงเราฆ่าเราผลที่สุดเราก็อยู่ในศาสนาลําบากอยู่ไม่ได้ในศาสนาเพราะมันสู้กิเลสไม่ได้ พอออกไปแล้วจะนี่ยํานึกได้ที่โอ้ตายกิเลสฆ่ากล่าใช่แล้วเราตายเพราะกิเลสใช่แล้วพเพราะกล่าวโง่ในขณะที่อยู่ทาําไมกล่าวจะโง่ถึงขนาดนั้นอันนี้มันไม่ใช่สวรรค์วิมานนั่นเมั น, นรรลกชัดๆพรเห็นอยู่แล้วเห็นเลยหูห ม, มากราดหูหนวกตาบอดคนโง่เขาเบาปัญญายังไงกิเลสเหล่านี้มันก็เยียบย่ําทำลายเขาเหล่านั้นอยู่เสมอ แต่ทำไมมันให้มันเหยียบหัว ใ, ใจเราได้เราก็ถือว่าเราเป็นชั้นปัญญายชนได้ศึกษาธรรมะมาพอสมควรแล้วทำไมเราจึงเป็นอย่างนี้เพราะนั้นขอให้หมู่พวกเพื่อนนะพูดทางนี้ท่านน่เพื่อเป็นข้อสังเกตการประพฤติปฏิบัติของพวกเรานะอาต่อนี้ไปสวดท้ายปฏิโมกน์เ่อกกันคอยมาทําวัดเย็นต่อไป